อันไอืมึยุดอย่ามาเปิดดับไว้ก่อนนี่ยุดอย่ามานัดนี้ต่อไปการอยู่ด้วยกันเป็นจำนอนมาก ยอมเป็นสิ่งไม่สะดวกต่อการมำเพ็นเพราะการมำเพนเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่ยากมีการกระทบกระเทือนกันได้ง่ายแสดงออกง่ายใีหมู่เพื่อนกับมาเป็นจำนวนมาก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 มันมีอยู่ภายในสติปัญญาไม่ถันถ้ามีสติมีปัญญาคอยระมัดระวังภายในจิตใจของตนอยู่เสมอการแสดงออกแต่ละอย่างของ ส, สิ่งที่เป็นค่าสึกต่อธรรมย่อมจะทราบได้ทุกระยะระยะที่แสดงออกและไม่มองสิ่งอื่นสิ่งใดมากไปยิ่งกว่ามองจุดแห่งเหตุที่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 ือสิ่งที่เป็นค่าศึก่อความดีงามทั้งหลายและเป็นสิ่งที่กิดขวางต่อความสุขความเจริญทั้งภายในภายนอกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งนี้เลยแต่ไม่ทราบเรื่องของมันได้ง่ายๆถ้าไม่ใช้การพิสูจน์ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาสอดส่องมองดูอยู่เสมอ เฉพาะ อ, อย่างยิ่งนักปฏิบัติต้องเป็นผู้สอดส่องมองดูเรื่องของตัวคือใจนั้นอยู่เสมอใจนั้นแลเป็นที่อยู่ทั้งฝ่ายกิเลสและธรรมมีอยู่ที่จุดเดียวกันแต่ส่วนมากกิเลสเป็นเจ้าอำนาจเคยครองหัวใจมาเป็นเวลานานแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีความเด่นมากทุก อาการที่แสดงออกยิ่งกว่าธรรมะที่จะแสดงออกได้บ้างเล็กๆน้อยๆเมื่อยังไม่มีความสามารถไม่มีกำลังพอเพราะการปฏิบัติยังไม่เฉียบฉลาดพอกับสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นมีเป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งหลนี้จึงได้แสดงออกได้ง่ายทำลายไ ด, ได้เร็ว ทำลายตัวเรานั่นแหละไม่ได้ทำลายอะไรผู้ปฏิบัติจึงควรสนใจให้มากสมกับหน้าที่ของตนที่มาบวชเว้นกิจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในบรรดาคารวะเขาจัดเขาทำกันชีวิตจิตใจมอบไว้กับชาวโลกปัจจัยทั้งสี่กีวรเครื่องนุ่งห่ม ป็นธบัตอาหารทุกประเภทสำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมรรถธรรมได้ด้วยความสะดวกสบายที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ภัยมีพระมูลอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่บกพร่องความบกพร่องอันอย่างแท้จริงก็คืองานของเราที่จะให้เป็นไปตามหน้าที่นี้รู้สึกว่าบกพร่องอยู่สม่าเสมอมา ไม่ค่อยจะมีเวลาสมบูรณ์ได้งานของเราคืออะไรงานแก้กิเลสตัณหาอาสวะด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญที่กํากับงานนั้นนี่คืองานของนักบวชงานของผู้ปฏิบัติที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ส่วนมากงานนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ งานนี้มาคอยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีสิ่งมาคอยแบ่งเอาไปกินอยู่เสมอถ้าเป็นต้นไม้เข า, เขาปลูกขึ้นก็ถูกอะไรๆมากัดกัดเรื่อยๆจนผลิตใบออกไม่ได้แล้วจะมีความวงงามขึ้นเป็นดอกเป็นผลได้อย่างไรสมณธรรมของผู้บำเพ็ญที่ไม่มีสติไม่มีปัญญา เป็นความอ่อนแอทอ้อแท้เหล้วไหลย่อมเป็นที่เปิดทางให้สิ่งที่เป็นฆาสึกเข้ามาทําอันตรายได้อย่างง่ายดายการเปิดทางนี้นักปฏิบัติมักเปิดอยู่เสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้ไปรู้แต่ว่าตนทําความเพียรความเพียร น, นั้นก็เป็นไปกับด้วยสิ่งเหล่านี้ค่อยแทรก สิ่งกินของดีอยู่ภายในโดยไม่รู้สึกตัวอีกเช่นเดียวกันเรือเมื่อไรนั่นแหละคือเปิดช่องเปิดทางให้ฆ่าสึกเกิดขึ้นทำลายตัวเองในรับสิ่งสัมผัสภายนอกรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสเข้ามาสู่ภายในก็อาศัยอารมณ์ภายนอกนั่นแหละเป็นสื่อเป็นเหตุแล้วกว้านเข้ามาทำลายตนเอง เหล่นี้ลว่วนได้ตั้งแต่ความไม่มีสติทั้งๆที่ประกอบความภาคเพียนอยู่นั่นแหลมันก็ออกไปเสาะแสวงหาค่าศึกหายาพิษเข้ามาเผารนตนเองให้ได้อยู่ต่อหน้าต่อตานี่การปฏิบัติที่เรามักเปิดเข้งเปิดทางอยู่เสมอโดยทั่วไปของผู้ปฏิบัติที่ยังไม่สามารถทันกับเหตุการณ์เหล่านี้มักเป็นด้วยกันทั้งนั้น จึงต้องได้เตือนไว้ให้ทราบร่วกันทุกคนทุกรายทําอะไรก็ตามสติอย่าได้ปราศจากสิ่งทั้งตนอย่างน้อยให้มีความรู้สึกตัวอยู่ทั่วอวัยวะที่เคลื่อนไหวจัดนั่นทานี้ให้มีความรู้สึกตัวอยู่นี้เรียกว่าสั ม, สมปัชัญญะสติจ่อลงไปจุดนั้นจุดนี้เรียกว่าสติ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 เพียงมนุษย์หรือเป็นมนุษย์ดา ว, ว่ามีความฉลาดกว่าสัตว์จะกลัวความทุกข์นั่นเลยสัตว์รี่ฉานเา้ายังตัวนี่เราเป็นผู้เห็นภยัยบวชมาด้วยความเห็นภยัยปฏิบัติเพื่อความเห็นภยัยทําไมจึงไม่เห็นไผ่ทั้งทั้งที่ภผยมรีรอบอยู่ภายในจิตใจทุกขณะที่จิตชิดออกมาเป็นเรื่องของภัยเท่านั้น ถ้าไม่ได้จดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความเพียรให้รู้กันอยู่ทุกระยะแล้วภัยจะต้องมีอยู่รอบด้านตลอดการทุกเมื่อภายในกิจของผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานั่นแหละให้คุณทราบอย่างนี้ไว้เสมอการฝึกกิจก็คือการปราบปรามต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจบังคับกิจอยู่นั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลส แยกประเภทนั่นแยกประเภทนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสด้วยกันท่านบอกส่วนใหญ่ๆไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่เป็นประเภทใหญ่ๆส่วนเปียกย่อยกิ่งก้านสาขาของกิเลสแบบแต่ละประเภทประเภทนั้นนับประมาณไม่ได้นี่กองอยู่ภายในจิตใจของเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้แหละ ที่นําความทุกมาให้สัตว์โลกได้รับอยู่ตลอดมาตลอดถึงตัวของเราเองเราก็ได้รับเช่นเดียวกับโลกทั่ ว, วไปเพราะมีสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทีนเราว่าเราเห็นโทษเห็นโทษอันใดถ้ามาเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษก็เท่ากับไม่เห็นโทษนั่นแหละ การประกอบความเพียรเราอยากรัวทุกข์ยิ่งกว่าทุกที่ยิ่เล็ดขดขึ้นมาให้ได้รับนั่นเป็นทุกข์ที่หนักหนว่วงทวงจิตใจมาเป็นเวลานานหลายกับหลายกันนับไม่ถ้วนเราไม่สงสัยถึงเรื่องกิจที่เป็นนักท่องเที่ยวหาความสงสัยไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวสาคัญมาก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 สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับใจใจเป็นตัวตัวเหตุใจเป็นตัวเกิดเหตุที่พาให้ใจเกิดท่านกล่าวไว้แล้วอย่างชาัดเจนว่าอวิชชาปัิยาสร้างฆ่าราเป็นต้นนี่แหละคือเชื้อแท้เชื้อแห่งวัตจักไม่มีความอิ่มพอในการเกิดตายก็คือเชื้ออันนี้เป็นต้นเหตุฝังอยู่ภายในจิตจากนั้นก็แตกขแขนงออกไปเรื่อยๆ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 ความเด่นแห่งความรู้นั้นย่อมปรากฏขึ้นได้อย่างชัดเจนตามความสงบของจิตมีมากน้อยต่างกันยิ่งมีความสงบมากความสุขนั้นยิ่งเด่นมากความรู้นั้นยิ่งเด่นมากนี่แหละความรู้ให้รวมตัวเข้ามานี่ก่อนพอความรู้ได้รวมตัวเข้ามาพอได้รับความสุขความสบายพอมีทางที่จะพิจารณาขี้คลาย ดูกิเลสประเภทต่างๆที่มันไปยึดพาให้ยึดถือที่ตรงไหนตรงไหนมากงท่านจึงให้พิจารณาทางด้านปัญญาแยกอาการทั้งหลายออกเฉพาะอย่างยิ่งภายในขันของตนมีรูปประขันเป็นสำคัญท่านจึงสอนว่าเกษารุมานาขาทันตาตะโจไปถึงตะโจแล้วหยุดเพราะเป็นประโยคใหญ่ หุมห่อทั่วสนาพาง ร, ร่างกายโรคที่หลอกกันให้ลุ่มหลงก็เพราะตัดจูได้แค่นหนังหุ้มหอนี้เท่านั้นหลงกันก็หลงหนังไม่ใช่หลงอะไรนี่เป็นต้นเหตุอันสําคัญเพราะฉะนั้นเวลาสอนมาถึงจุดนี้แล้วท่านจึงหยุดเพราะจะให้พอเหมาะสมกับเวลานั้นราการบูตรคุณบุตรตั้งหลายเราก็นํามาพิจรารณา ในบนรรดาทำที่การมอบหรือบางงานที่การมอบให้แล้วนั้นถนัดในอาการใดก็ให้พิจารณาในอาการนั้นแล้วคลี่คลายให้เห็นตามความจริงของมันทุกระยะระยะทุกสัตว์ทุกส่วนที่แรกจะเห็นส่วนใดก็าตามเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันย่อมจะกระจายไปทั่วถึงกันและเป็นความจริงเสมอกันหมด นี่คือปัญญาเมื่อปัญญาได้มีได้พลี่คลายออกไปเช่นนี้ย่อมจะทราบเรื่องความยึดมั่นถือมั่นที่ตรงไหนเพราะความสำนั่ัญผิดของตนการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นเหตุที่จะคลี่คลายให้ถึงความจรงิงเมื่อใจได้รู้ความจริงในขันมีรูปประขันเป็นต้นความยึดมั่นถือมั่นที่เคยฝังจมอยู่ภายในร่างต่าง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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่พ้นปัญญาที่จะตีจะร่ำเข้าไปผลสุดท้ายก็หมดปัญหาเข้าไปโดยลาดับจนมาทั่งเข้าสู่จิตนั่นเลที่นี่กษัตริย์ของวัตจักคือวิชานี่ละการพิสูจน์เรื่องการเกิดตายดังพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์มาแล้วจนรู้แจ้งเห็นจริงได้นำความจริงทั้งป่ายเหตุแต่ผลออกสแสดงแก่สัตว์โลก พระองค์ทำอย่างนี้แน่ใเมื่อเข้าถึงจุดนั้นแล้วตัดแล้วกิ่งก้านสาขาไปหมดบริษัทบริวารของกิเลสไม่มีเหลือก็เหลือตั้งแต่อวิชชาปทิยาสร้างข้าราอันเดียวที่ติดหรือเกาะแน่ น, นอยู่ภาณกิจเขอไม่พ้นจากสติปัญญาที่แหลมคมซึ่งจะฟาดันันแหลก กันให้แตกกระจายไปจนไดน้เมื่อถึงขั้นที่จะทำลายอาวิชชาปฏิยาสร้างข่ารานั้นรอไว้ไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งสัมผัสสัมผั์ไม่มีสิ่งที่จะรบจะฆ่าฟันหั่นแหลกกันอีกต่อไปแล้วนอกจากนั้นราบไปหมดด้วยปัญ ห, หาอาสวะที่ไปเกาะอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นเครืร่องสัมผัส รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถูกทำลายมาเป็นลำดับกว่าต้อนมาเป็นลำดับก็เข้าสู่จุดนั้นที่จะนณาจุดนั้นลงไปเพราะนั้นก็เป็นสมมุติคำว่าสมมุติก็จะต้องมีอนิจจังทุกขังอัตตาอยู่ในตัวของมันเพราะมูลเช่นเดียวกับสมมติอย่างอื่นเมื่อสติปัญญาได้อย่างเข้าถึงจุดนั้นจนแตกกระจายไปแล้วพบชาติมันหายไปไหน ทำไมจะไม่รู้เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ตามความจริงด้วยการปฏิบัติจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่รู้มีการพิสูจน์เรื่องความเกิดตายในภพชาตินั้นๆพิสูจน์อย่างไห น, นเมื่อได้เข้าถึงขั้นความจริงเต็มภูมิแล้วสงสัยที่ไหนอเคยเกิดเคยตายมาเพราะอะไรก็ทราบแล้วว่าเพราะเหตุนั้น ทีนี้หมดแล้วเรื่องความเกิดตายนี่หมดที่ไหนก็หมดที่จุดที่รู้อย่างเต็มที่แล้วนั้นไม่มีอะไรอีกแล้ว ต, ต, ตั้งนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปอดีตก็ตัดขาดอนาคตก็รู้เท่าทันปัจจุบันก็ไม่หยุดเห็นตามคำเป็นจริงโดยตลอดทั่วถึงนั่นแลคือผู้ทำลายภพทำลายชาติทีนี้ก็มีพาสิทธิบทหนึ่งที่แสดงขึ้นมาว่า ทุขั้งนัตถิอาชาตัดสัทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดนั้นเป็นผู้ศูนย์ผู้สิ้นไปไหนผู้ไม่เกิดก็คือผู้บริสุทธิ์น่้ความบริสุทธิ์นั้นแลคือธรรมชาติพิเศษ ท, ที่อยู่เหนือโลกสมมติทั้งหมดเรื่องกิเลสตันหาสวรรคที่เคยครอบงำอยู่แต่ก่อนได้แตกกระจายไปหมดเพราะอำนาจของสติปัญญา สติธรรมปัญญาธรรมจะฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปเรืนี้ก็หายสงสัยแล้วสิจะอะไรมาสงสัยเพราะเรื่องทั้งหมดมันอยู่กับตัวของเราความสงสัยคือเรื่องของกิเลสแก่ความสงสัยหมดโดยสิ้นเชิงแล้วกิเลสก็หมดไปพร้อมๆกันเหลือแต่ธรรมะที่บริสุทธิ์จิตเป็นธรรมธรรมเป็นกิจอันเดียวเท่านั้นจะหาอะไร ปัญหาทั้งมวลก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นนั่นแหละงานของเราที่ตั้งแต่เริ่มแรกประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เกสาลุมานาขาตันตาตะโจวันนี้อธิบายอย่างย่อๆ่อนๆเข้ามาในการพิสูจน์เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีจุดประจำจิตจิตเป็นตัวการท่องเที่ยววิชาปยาสร้างขาราเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยหมุนกันออกมาโดยลําดับลําดับ เาท่านจึงเรียกว่าวัตจักรมันหมุนตัวของมันอยู่ตลอดอยู่นิ่งๆอยู่เฉยไม่ได้เมื่อทําลายทำวัตจักรนี้ออกแล้วด้วยธรรมจักรคือสติปัญญามหมุนกิอยแล้วจากนั้นก็เป็นวิวัตจักหยุดความหมุนแล้วหมุนด้วยกิเลกก็หมดไปหมุนด้วยธรรมเครื่องแก้ ก, กิเลกก็หมดไปเพราะกิเลสจิ้นไปแล้ว ทรมาจากเครื่องฟาดฟันทานแหลกที่หมุนตามที่เด็ดข้อมดไปยุติกันต้องสองอย่างกลายเป็นนิวัตจักรขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นนี่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรจะจริงแน่ยิ่งกว่านี้ไม่มีสวาคาธรรมแั่ไว้ชอบแล้วชอบอย่างนี้เองอุบายวิธีการต่างๆทรงสอนไว้อย่างพร้อมมหมดแล้วนิยา น, นิกรทมนาผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้ว นั้นให้พ้นจากเครื่องผูกมัดรัดลึงอันเป็นตัวทุกข์ทั้งหลายออกโดยลำดับๆจนสิ้นไปโดยสิ้นสิ่งเชิงไม่มีสิ่งใดเหลื อ, อเราไปหามากุฎนิพพานที่ไหนคาดที่ไหนยิเรมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ความคาดความร่นเดาคืออะไรความสงสัยสนเท่คืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเร แล้วมันก็มาหลอกเราให้ล่มจมไปตามมันอีกความเพียรที่ตั้งท่าต่างทางว่าจะประกอบให้เป็นเนี่ยเป็นเป็นเม็ดเป็นหน่วยก็ถูกกิเลสกล่อมและทำลายให้แหลกไปหมดเหลือแต่ตัวเราเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาให้จริงที่นักปฏิบัติทรมาวยาำเป็นของจริงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของหลอกลวง ผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมาหลอกลวงตนเองด้วยอํนนานาจของกิเลสเชี่ยมสอนหรือกระซิบกระซาบต้องยกธรรมขึ้นต่อสู้เสมอจึงจะได้เหตุได้ผลอยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติอย่าเห็นจริงได้ยิ่งกว่าจิตจิตเป็นสมบัติอันล้นค่าแต่เวลานี้เป็นจิตที่ตำซามก็เพราะสิ่งต่ํำซามมันครอบจิตอยู่นั้น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 นี่แหละการดําเนินปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วหมดงานของเราที่เคยเด้รับความทุกข์ความลําบากเพราะการต่อสู้กับปิเลสมาโดยลำํำหนักเบามากน้อยมายุติกระลงที่จุดนี้ เ, เรื่องความทุกข์ในท่านในขันที่คล้าก็ยอมรับด้วยกันแต่ผู้บริสุทธิ์ยอมรับความทุกข์ในขันเพียงรับทราบเท่านั้น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 ซึมซาเข้าไปถึงจิตให้รับความกตุกขกัตืถรในเอ็นเอียมไปได้ถ้ารูเรียนรู้ให้จบถึงเรื่องสัจธรรมทั้งจีงนี้แล้วย่อมคงเส้นคงวาภายในจิตใจภาระทั้งมวลในการประกอบความภาคเปลี่ยนก็เป็น น, นวัตยุติคันลงไปนี่งานทางด้านธรรมะมีความสิ้นสุดยุติลงได้อย่างนี้เมื่อทำให้เต็มที่เต็มฐานเต็มตติกาลังความสามารถ จนถึถึงจุดแห่งความสิ้นจุดของสมมุติแล้วงานทั้งหลายที่เคยประกอบมาก็ยุติได้นอกจากงานไปตามเรื่องทานาธรรมดาเท่า น, นั้นไม่ใช่งานขัดกี่เหล็ไม่ใช่งานถอดถอนกี่เหล็กก็ทำได้พวกเราปฏิบัติ วิตตภาวนากันทำอย่างไรไหนนี้มีงานอะไรมีแต่งานภาวนาทำไมมันไม่ได้เหตุได้ผลเพความหลาะแหละคอนแขนนี่เป็นสำคัญความอยากได้ความสุขตามความหลอกลวงของกิเลสม่เป็นความสุขโดยอจโดยธรรมทุกข์ก็ให้ทุกข์โดยธรรมทุกข์ด้วยความเพีงยงยเป็นธรรม สุกก็ให้สุกโดยทําเพราะผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรนั้นทำจิตให้เป็นสุขอยาได้สุขเพราะความขี้เกียจที่ค้านอ่อนแอซึ่งเป็นเหมือนกับเขาอาหารมาให้หมูกินนะครับก่อนหน้าที่เขาจะนําไปฆ่าเท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรนี่ก็เหมือนกันอย่าทําให้กิเลสมัหัวเราะเรามาปฏิบัติเพื่อให้ สิ่งที่เป็นค่าสุดนี้หลุดลอยไปจากใจทำไมจึงจะกลายเป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์กขึ้นมาสั่งสมกิเลสขึ้นมามันก็ขัดต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือ ว, ว่าเป็นค่าสุดค่าสุดนั้นอะไรเป็นค่าสุดกิเลสมันเป็นค่าสุดกับธรรมเป็นมาตั้งแต่การไหน เมื่อเป็นค่าสึกกับธรรมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่กับใจธรรมถ้าเกิดก็เกิดที่ใจมีที่ใจแล้วกิเลสกลับมาเป็นค่าสึกต่อใจกลับมาเป็นค่าสึกต่อธรรมเทเองเราจะหวังพประโยชน์จากอะไรเราเองเป็นค่าสึกต่อเราเป็นค่าสึบต่อาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรียบร้อยพนในหัวใจของเราแต่กลับให้กิเลสมาย่ำยีตีแหลกไปหมด มีอะไรเป็นผลที่จะพึงพอใจสําหรับเรานักปฏิบัติเราคิดให้ดีนักปฏิบัติอย่าหลงไปตามโลกตามตงสงศารซึ่งเป็นเรื่องกลยุทธ์ของกิเลสทั้งนั้นเวลานี้กิเลสกําลังแผ่นุภาพมากเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยสายหูสายตาเราไปที่ไหนไม่สงสัยดูแค่เดียวก็รู้ถ้าเป็นผู้ได้เคยผ่านเป็นผู้ได้เคยต่อสู้กับกิเลส มาอย่างเต็มที่แล้วกิเลสแสดงออกในแง่ใดมุมใดไม่ว่ากับจัดกับบุคคลรู้ทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เคยสัง่งในหัวใจเรามานานและเคยต่อสู้กันมาถึงขนาดไหนเราทราบมันแล้วนัถ้าเราไม่เคยรู้กับเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะไม่เห็นมันอาการทั้งหลายแสดงออกเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นกิเลสทั้งมวในการแสดงออกจากกิริยาของสัตว์ของบุคคล ไม่มีธรรมที่จะแผ่วพราวขึ้นมาให้พอได้ชมบ้างเลยแม้ที่สุดในขณะประกอบความเพียรอยู่ก็มีตะกี้เลสมันแผ่อานาจอยู่ตลอดเวลาเราจะหาธรรมมาเป็นสง่าราศีประดับจิตใจของเราให้มีความสวยงามได้อย่างไรต้อเอาให้ทนันเยเลยสเอสติปัญญาพระพุทธสอนอยู่ตลอดเวลามีทุกคำํำพีตาจะจากสติปัญญาที่ไหนนี่ล่ะ ทำมันสาคัญเครื่องตีให้รู้เรื่องของค้าสุขที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเอาให้กินให้จังขุดลงภายในจิตการปฏิบัติภาวนาให้ดูเจริตนิสัยของตนเหมาะ ก, กับการพิจารณาอย่างไรแล้วก็พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเสมอด้วยอุบายวิธีความฉลาดของเราแม้นั้นมาทำดทุจกิเลสพอทําไปทําไปมันก็ชินชาก็มี เมื่อยังไม่หลักไม่เกณฑ์มักจะชินชาต่อความเปลี่ยนทุตนแล้วก็กลายไปกิเลสขึ้นแทรกขึ้นมาภายในนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะมันแหลมคมมากกิเลสไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในโลกทั้งสามนี้แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมเหนือกิเลสเหมือนธรรมอีกแหละธรรมจึงปราบกิเลสได้นอกนั้นไม่มีอะไรจะปราบกิเลสได้แหละเพราะฉะนั้นจงเทิดทูนธรรมนี่ขึ้นวิริยะธรรม คือความภาคเพี่ยนขันติธรรมอดก้านขันติชาติธรรมปัญญาธรรมเอานำมาใช้เสมอให้ติดแนบกับตัวเองอย่าได้ปล่อยวางธาตุขันเหล่านี้มีแต่เรื่องมันจะค่อยแตะค่อยชาลาลงไปผลสุดท้ายก็กองลงไปในธาตุเดิมเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอะไรที่เป็นสาระสำคัญที่เราจะได้เป็นเครื่องยึดเครื่องถือเป็น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 ความพเพี่ยนทุกวิถีทางที่จะฆ่ากิเลสจึงจนเหลือวิสัยเราทําไม่ได้มีอย่างเลยหาพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครถ้าไม่ได้เป็นเทวบุตรเทวดามาจากที่ไหนเป็นคนเหมือนกันกันกบเราสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรากิเลสของท่านกับกิเลสของเราประเภทเดียวกันแล้วท่านแก้กันได้อย่างไรท่านถึงได้เป็นวิเศษเนผู้วิเศษวิโสว่าพุทธังธรรมสังขารสนางกระฉามีควรแก่ความเป็นสารณะ ฝากเป็นฝักตายของโลกแห่งชาวผู้เราล่ะเราทําไมจะไม่เป็นสถาังคาฉามีสําหรับเราได้ด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือเราเป็นนักบวชแท้ๆจะให้เป็นไปยะยงเล้วไหลเล้วแหลกต้องเอาให้จริงให้จังสลนักปฏิบัติให้เป็นสถานังคาฉามีของตนได้ด้วยความเพียรของตนเมื่อถึงสถาังคาฉามีในตัวเองแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เถอะไม่มีหวันมีหวัด มีเสียวมีวุ่นวากับอดีตอนาคตอย่ามันพอตัวอยู่ในหลักปัจจุบันคือจิตเนี่ยท ร, ร ม, มีความพอไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลสตัณหาท่ว่านัติตัณหาสมานา ถ, ถีแม้น้ำมหาสมุทรทะเลก็ไม่ได้ลึกกว้าขวางยิ่งกว่ากิเลสตัณหาอาสวะทันวาเมื่อเข้าถึงทรรมไปลำดับ ๆ, ๆจนกระทั่งถึงขัน้นถึงทำพอตัวแล้ว พอดีไม่มีความหิวความหอยความโคลนกราไว้ทำมีความพอส่วนกิเลสไม่มีความพอเผาได้วันยังค่าคืนยังรุ่งเช่นเดียวกับไฟไม่พอในชื่อทั้งหลายออกมาเท่าไรเป็นเผาไหมแหลกหมดกิเลสก็เหมือนกันทําตามมันเท่าไรก็เผาแหลกไปเท่านั้นที่จะให้กิเลสพาคนเราอยู่ในพอความบริสพอดีอดปเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าปูา่ย่าตายายคงเกลิดไม่ว่าลูกเต่าขอแม่หลานเลนองเกลิดเป็นประเภทเดียวกันทั้งนั้นเป็นประเภทที่พาจัดโลกให้หิ้หวหวยกวนกวายหาความพอดียับยัง้งตัวไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องยับยัง้งตัวได้เพราะฉะนั้นจึงพยายามสร้างธรรมที่จะเป็นเครื่องยับยัง้งให้ถึงความให้ถึงความพอหรือเมืองพอเต็มหัวใจนี้ด้วยความภากเปลี่ยนของเราอะลารละท้อถอย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 ในแก่วกความมีสุขสงจนั่นแหละตรงนั้นไม่มีคำว่าจริงจังทุกขออาาัตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นั่นแหละที่ว่าความสุขความเย็นใจอันหาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ก็เพราะไม่มีอะไรเข้าไปควรขึ้นจังหว่าสมมุติมากน้อยไม่มีปัญหาแม้จะสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาหูจมูกร่างกายของเราในเวลาทรงข์ขันอยู่ก็ตามก็เพียงแต่สักว่ารับทราบรับทราบสนั้นไม่สามารถที่จะไปซึมทราบถึงตํา ธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั่นได้เลยนั่นจึงว่าพอไม่หิวไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากฟัง ไ, ไม่อยา ก, อ, ยากอะไรภายใจิตพอแล้วทุกอย่างพออยู่ที่จีตเอาให้ถึงเมืองพอหิวไง ห, หิวความเพียรอย่าไปหิวเรื่องตามที่เดือดธหาสักว่าถ้าหิวเพื่ออัดเพื่อทําให้เต็มเม็ต็มหน่วยดื่มลงไปด้วยความรู้ษาพยายามของความภาคความเปลี่ยนเป็นก็เป็นตายก็ตา ย, ตายโลกนี้มีป่าช้า ผู้ประกอบความเพียรจนถึงขั้นตายก็ยังไม่เคยได้เห็นให้มันเห็นสักทีว่ะมันเป็นยังไงความทุกข์นี่ที่มันเป็นมาในธาตุในขันในภพชาตินั้นๆอันติดเนี่ยมากับจิตกับวิชญานี่สงสัยที่ไหนดูปัจจุบันนี้ก็รู้ย้อนทะท้อดไปหมดอกลายแสนกลายท่าใดก็คือออกจากหลับปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้นี่ยังดีเราเป็นชาติมนุษย์ยิ่งเป็นชาติอบายมุกด้วยแล้วจะเป็นยังไงความทุกข์จะขนาดไหน รับความทรมานขนาดไหนคิดดูสิแบบเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นสงสัยอะไรในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเคยผ่านมาแล้ววิสุทธิธรรมเรายังไม่เคยผ่านนี่อือเอาสิตั้งแต่สมาธิขึ้นไปถึงพันปัญญาไอา้ผ่านไปตามทางสายธรรมเลยเมื่อถึงวิสุทธิธรรมแล้วพอทุกอย่างไม่สงสัยไม่วุ่นวายอยู่เย็นเป็นสุขสุขขั้งวัตตะสุขขั้งวัตตะอยู่ไหนก็สุกหนอสุกหนอสุกไม่จืดไม่จาง ไม่มีคำว่าเหยีดว่าแหกคำว่านิจจงทุกขร้าตตาไปทำลายสุขประเภทนั้นไม่มีนี่อ่ามันจริงจังมันปฏิบัติต่อไป น, นี้ธรรปัญญาที่บายหมู่เพื่อนฟังเหนื่อยว